กพรจมต่อยเพื่อเป็นส่วนประกอบขอสการศึกษาอุดมศึกษาเราเรียนหลาอย่างเราเรยนาตรยาทสูตย์รรมจักรกาพปัฒนศูนย์นี่เราอยากทำมได้ต่อ ทถิมาเป็นสุตที่หยิบขึ้นาไม่วไปได้จักวันหนึ่งเราอาจจะทำได้ <c oughs> ก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่เข้าเห็นที่ถิมม่มาก็ง่ม่นก็ไม่สักเกณฑ์เฉียวเวลาสุตรนี้ พระสูตรนี้น่าสเสนชมระ อ, อรนุนทั้งผู้แก้วแสดงทรรมพระเทศนากันนี้อยู่ที่ปลายศิษปร ะ, ด, ะดับแนะ้อวัดประสาทญวนเป็นเทรอศาสนากันแรดออนุนยังไม่ได้ปวดเลย ต้งเกือปีที่เปต้องอรับเรืองวันจนสถาปนาพเพืษอทหนาเกินที่นั่นใ้นอนวัดบักที่นั่นมีว่าแรกเมื่อบวชแล้วพ่นอนก็ได้ต้องเป็นพรูธรประถาน เมื่อตั้งเป็นพุทธกุธาลแล้วเพื่ออะไรเรารับผิดชอบว่าต้องรู้เรื่องธรรที่พรเจ้าทรงสแสดงให้หมดถ้าไปรู้เรื่องไ ม, ไม่รู้ว่าเป็นพุทธศาสไปทำหม่เมื่อมีใครมาถามจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องเกือเคน ก, ก, ก, กินศึกษาศึกษาก็การทูลพระทีเจ้าว่าถ้าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ใด <c oughs> อ น, นุน์ไม่ได้มีโอกาสไปด้วยขอให้มาเล่าไว้ฟังด้วยทรวงขาตั้งแต่เทศนาครั้งแรกเทศเรื่องอะไยคู่เรื่องอะไย กอจะว่าเลาใหฟังหมดที่ไหนที่ไหนเป็นอย่างไรอันออก็จับออกใส่ใจอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์อาจจะไม่มีกร ะ, ะดาษจินศแต่กอ จ, จับไวยในหัวใจของ่าหลงจนมาทำสังเคราน่าเข้ พระเจ้าประลิานไปตั้งเดเดือนถ้้เราก็ยังแม่นยงจำได้ทั้งหมดสาธยายพระสูตรต่างๆให้สงฆ์ทั้งหลายได้ฟังมีพระอัญญารุ่มีพระมหาเปรปะเป็นประธานนะที่นัได้มาเติมเต็นพระสูตร เป็นต้นใจติดตกที่สมบูน์แบบถ้าธรรมะจับที่เราได้ฟังมาเนี่ยเรามาศึกษาดูเพร็ะป็นความจริงป็นความจริงในชีวิตเรานี่ขัดแย้งไม่ได้ตัดทิ้งก็ไม่ได้ตอเติมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติโดยตรงใบไทยอุ่นอยู่ ยังมีไออุ่นในธรรมจักรถ้าเราศึกษาปฏิบัติมีสติตามหลักที่พูเ้เช้าทรสสอนส อ, ส อ, สอนในอยาลมมั้มีสติเห็นของเก่งแบบสดทุกสมัยไทยโรดมากมยังมีอยู่ในชีวิตต่านี้เราเทำเก่งเราดีอย่างละ แค่ไหนเพียงไรเวลาเราจะเรียสติเพียงแต่มันหลงเราก็รู้แล้วทําแล้วทําลงไปแล้วแม้ความหลงเดีวไม่หมดยังมีอีกก็ได้ทําแล้วเราได้ทาทำแล้วรู้แล้วทุกเรืู่แล้วเหตุที่เกิดทุกเราทำได้แล้วละได้แล้วบางทีก็เฉยขนาดนั้น เรจะมีอะไรที่เราได้คนะมาบ้างแล้วหรือชม่ชนะก็หมงหมาดลงบ้านแล้วเยียวยาลงไดยบ้าแล้ ว, <c oughs> ลวจะเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นโลกเป็นมัดมัด ก, ก็ทาเลยทําอยู่มากแต้ในโลกทำไม่แค่แนละ้วสมุทัยก็ ได้มาแล้วขนคือมันทุกก็รู้แล้วนี่คือทุกข์ไม่สงสัยนี่คือความไม่ทุกก็ไม่สงสัยแตยแแแ่ยังทำไม่ได้นี่คือความหลงนี่คือความไม่หลงรู้แล้วเป็นที่เป็นรามไปแล้วแม้ยังทําไม่ได้เขารู้แล้วมีหวังนะ มันเกิดขึ้นทีไรก็เรื่องเก่าทำแบบเก่าสิ่งที่เราได้เคยผ่านผ่านมือผ่านตาผ่านชีวิตเรามาเท่านั้นเหมือนเราเคยผ่านหน้าที่อะไรเราไปานนะไ ร, ารู้ว่าโอเคตรงนี้เคยผ่านมาแล้วเคยเห็นแล้วเช่นไปท่องเที่ยวไป ที่ประสูรที่สรู้ที่เสดงธรรมที่ปัญนิพานธจแต่กันเราไม่เคยเห็นพอเราเห็นก็ขยายเป็นหัวใจออกมนนภาพเป็นจริงขึ้นมาตามโลกที่ปรากฏมีอยู่ ในสถานที่บูสูตรในสถานที่จ ะ, จะรูปก็มีมโนภาพ ท, าที่นั่นสัมผัสกับพระพุทธรรมประสงค์ที่นั่นบ้างในสถานที่แสดงธรรมก็ไปสัมผัสดวงที่นั่นมโนภาพที่นั่นมีอะไรเกิดขึ้นเี่่เดียเป็นรูปธรรา ที่สุดทางโปรดยศคุณบุตรเข้าใจปโยชน์นวลอยู่ก็ลองพาลองโลยศคุณบุเขาจะเดินมาจากราศีมาที่นี่ประตูตรงนี้พระเจ้าก็ประทับอยู่ที่นี่มีจงกรงอยู่ที่นี่รหวางที่จงกรงกับประตูทสิปันะไม่หางกลกันน ในคาวนั้นดักดิรัวุทาจารุทาล่อที่นี่วุ่วายหนอที่นี่เกิดนกหนอที่นี่ทุกข์หนอทุกข์เลืเกินทุกขเลืเกินคงได้ยินผู้ชมก็ตอที่นี่เป็ น, น, น, น, นมกนนิกที่นี่วุ่นวายมาที่นี้ ในทางบาคนจะเป็นใกล้ลุ่งใช่ไหมไม่ยังไม่สว่างดียังสักบุญก็เข้าไปยังมีรูกประทับเห็นอยู่แล้วก็ประทับใจในฐานที่ปฏิบัติแล้วก็สน น, นั่งอยู่ที่นั่น สมัตดูมนภาพเราดูถึงเส้นลายการจะมีปิติจะมีควขทในอารมณ์ันสที่ต่างๆสเวชนิยกัาวสมบัตในชีวิตเราทุกวันนี้ ถ้าเราไปอีกคราวหนึ่งเาก็เคยเห็นไ เ, เก็บเที่ยวก็เคยเห็นสถานที่นั้นเหมือ น, นเดิมในครงปฏิบัติธรรมไม่ค่อยแย่งกันสงที่เราไปกำมัน ก, ยก็ยอแต่แย่งขึ้นชมานมากขึ้นทีแรกก็ตัง้งใจดูสถานที่ป ร, รูดูทุกแง่ทุกม การคำนวณดูไปเที่ยวหลังไม่ต้องคำนวณอะไรจบง่ายๆผ่านง่ายๆเสียเกี๊ยวกรดูกได้ง่ายๆไม่ได้ไม่ได้คำนวณไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้หาข้อเปรียบเทียบอะไรที่ตัดสรูกก็ง่ายๆที่เสียคำก็ง่ายๆที่ปฏิทินก็ง่ายๆ เราจะยืนอยู่ให้คนเข้าไว้ซะเราจะยืนอยู่รอบนู่นเพราะเราได้ศึกษาแล้วง่ายง่ายจบง่ายง่ายแต่ถ้าพูดไปไหนจะต้องนอนยังไม่อีกมดูนู่นดูนี่ไปถ้าเราได้เห็นอะไรบ้างไหมเห็นความหลงที่แรกคขอยค่อยง่ายนะเห็นเครื่ทุกไม่ค่อยง่ายเห็นเครื่ ปัญห า, าเห็นคุลือตระหนักไม่กีง่งาติดมันเป็นอย่างนี้หนิวอย เ, เห็นไปเห็นไปตามหลักลิสตสัจจีความง่ายขึ้นไม่กาที่จะให้เกิดมันยากแต่ที่ให้มันไม่เป็นให้ดดทำง่ายง่ายขึ้นแต่ก่อนมันยากในปัญหาไหนคุณลือสการทั้งหลาย ที่เกิดจากที่ที่มันมีที่เราเคยเพ่งเรงเคยใส่ใจเคยสมหวังแต่เราเคยทำมาแล้วได้ขึ้นนิดเดียวลับนิ้วมือเดียวแค่นี้แค่นี้แค่นี้ภาษาอะไรวามหลงห่อยนิดเดียวกลมไม่หลงยืนยย่นใหญ่ภาษาอะไรเหตุให้เกิดความทุกข์ ไม่ยิ่งใหญ่เลยตัวไม่เราไม่เหลือแห่งทุก์มันไม่นามันดุดมันจะไม่หลุดถ้ามคลืนาส้นหน่อยตราไหนมันดูดไปตัวทุกมันจะมีความไม่ทุกข์ดุดไปตัเจ็บมันจมีความไม่เจ็บความเจ็บเขมีความไม่แก่ความตายไม่ความไม่ตายดูดไป ฉันก็ฉันก็นิดหน่อยนะครมันดูดไปเร็วล้วก็เป็นเช่นนี้นั่เราปรดหักจิงไดแล้นก็นียวกระดางเช่นนี้ช่นนั้นในเรื่องชี่องเรานี่มันเป็นเท็จเป็นจริงไม่มีคําขาวซึงเราไม่สติมีความหลงอย่างนี้น ความหลงจะจริงอย่างไรความไม่หลงมันจริงกว่าเลยเนะ่ยมันจะไปคงคืนตัวเองหลงได้ยนะังไงเพราะความถูกความผิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่ซ้ำฟันได้อยู่มี่ใครจะทำให้เจอจะทุกข์จะโทษตายต้องพอกันรักษาจนสุดความสามารถ ในการปฏิวัติธรรมมันเป็นโกคเปนเก่รขึ้นมาในการชารีวิตของเรามันเป็นเห็นของจริงกานกระเสริฐด้ยพรของจริงานกระเสริฐที่มันจะให้ทุกไม่เป็นทุกที่มันให้โทษไม่ไมีโทษ น, นี่คือกัรกระเสริฐ ไม่มีสิ่งใดที่ประเสริฐเท่ากับขีม น, นี้มีความภูมิใจยุบผมว่าเดิงได้สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์สิ่งที่ทะไม่โกรธไม่โกรธยุบผมว่ายเองได้สิ่งที่เเป็นไม่เป็นดีต่างเก่าคนทพรวเดิมแย่งนี้ เัาปฏิบัติมันเป็นไหนนี้โดยตรงตรงต่อปฏิบัติตงต่อจิงที่ระหว่างสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ผิด ต, งตรงเห็นสิ่งที่ผิดไม่มืดมนในสิ่งที่ผิดตรงต่อสิ่งที่ถูกสว่างสวยในสิ่งที่ถูก ที่ระบาดปฏิบัติตไม่มีอะไรที่ติดบังถ้งมีสตินะสติไปเดนกายเปิดทูลเหมืกับเปิดของที่ไหนเปิดของที่ข่วมเปิดของที่ไหนของที่ขวมเปิดของที่ติด ดแสงสว่างขึ้นในที่มืดบอกการหลงทิ่หลงทางของผู้หลงเพียงพอในการแสดงสติของที่มันปิดจุปเปิดตกแล้วเห็นแล้วเห็นไหมเือวางวันเขาเห็นรูเห็น น้ามืออยู่แต่ท่าใช่ไหม <c oughs> ไม่มีคํำถามมืออยู่ที่ไหนต่อได้นะต่อไปสิ่งที่เห็นว่ามืออยู่ที่เขาเนี่นไม่เป็นอะไรนั่นเราเรียกว่าความหของที่ปิดเคยบ้างไหมชีวตของเราพลิกมือขึ้นรู้สึกยกมือไปรู้สึกในรูอยู่นี่นะ การรู้อยู่นีนานๆต้งดูมันจะเกิดเลไรเพิ่เห็นหลงมันหลงไปใดตั้งแต่มีความรู้ขนาที่วันหลงเคยได้ไหมนี่คืบอกคนหลงเถอะบอกการหลงเถอเแต่คนหลงเป็นหลง ว น, นี้หลงเป็นรูจะเป็นยังไงวะจะไม่แค่ว่าจึกแสงสว่างขึ้นในที่มืดเพราะหลงเป็ของมืดเห็นว่าหลงเป็นแสงสว่างเพราะหลงเป็นของหลงเปลียนหลงเป็นไม่หลงเป็นหลงที่หลงถานรู้จกากฐานในข่าเดียวกันตามเกา่า ไม่เปลี่ยนหลงเป็นลูกหนึ่งข้างร้อยข้างถนนมันมก็ชำนาญเป็นปะวิน ญ, ญาที่แรกก็าจะไม่ชำนาญ <c oughs> แต่เพียนที่ยาเยิ่ยงไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติถ้าสติใช่มากเท่าไหร่เป็นศิละปะเหมือนมีด น่างเมือสิว่าเหมือนชางคแรก่อ า, าียเขใ า, ยาใช้มือจะไม่ชำนาญสิวเขใชไม่ชำาหรือมือไม่ชําญต้องคต้องเกียร์เราใช้แช่ใชครื่ือมือเก่างานตอนี มันช่ ม, มาสติเอ็นเดียวมันชาง ม, มาเป็นญาเป็นปัญญ า, ปปาเป็นปะอิญาดาแล้จะต้องเขียนไปสัง่งธรรมจับออกแบบวบธรรมจับ ให้ทำแบบนี้ทำมาเฉยๆอันเราต้องไปกุ้มต้องขีดมือสันสันอะไอย่างนี้ทแต่ผู้เที่ยวชนานะอันนี้เอฟเดียวกันธรรมดาเลยนันเฉยบางาเพราะเขาจบทอัสาปัจบสถาปัตแล้วก็ต่างกันผู้ที่ชำาญผู้ที่เล่าเรียนมากค่นั้ปฏิวัติธรรมก็ม่กว่าํานานะ ปัญญายาจิตไม่เพิกไปไม่สุขสัตยเจอสัตย์จอสุปัญญายาจิตรู้ง่านหลงเยอยรูแล้วละพอกล้วรู้แล้วละทาได้แล้วง่ายจะให้เป็นหลงไป็นหลงยาทดีได้ง่ายทำชั่วยากก็นาะ แค่บา้านทำงานทำช่วแรงทำดีไดยากแค่ความง่วงของหัวนอนเวลามื่ง่ ว, วตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาหนึ่งครั้งเมืงวลุกหนึ่งครั้งเปิดไปหมดทั้งหมดเลยหาวเรียงลุกืมมาต้อการมาันคงอยาชี้นะ้อันนี้ไม่ใช่ นี่เป็นสิ่งที่ควงคัาคิดพุ่งสางคิดเหมือนไก่เจียนี่มันจะต้องแน่แน่อย่างนี้ยกป่มส่กนันว่ากว่าเปมันบอกทางคิตมันบอกทาให้ไปถูกบรรยาอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ป่วยตัวเองที ไม่เหมือนปัญญาแบบทุกโลกรูอยู่ก็โกรธไ้อยู่ย้ำโกรรู้อยู่ว่าทุกข์ไม่ดย้าทุกข์ถ้าปัญญ า, ายังไม่ต้องร่ว่ไม่ดีสอมขัตนละไม่ใช่รู้มันเ็นมันเตนมนี่ปัญญายา ทะลุทลุทะลวไม่ตำไม่เป็นหน้าหาไม่เป็นความที่มันขึ <c oughs> ้นยอดเรียกเ <c oughs> รามีสติการเรียกเคยเปรียบเทียบกสนเสมอ สติเหมือนไม่กดไม่กดคว า, ามปฏิได้ที่นักศึกษาในอนิสงสงทันทีที่เรามีสติต่ในตาลกาลีอยู่ที่ไหนใครไปพูดสองครับว <c oughs> นพึ่งฉลาเรานี่เราเราไม่ได้สองครับมันจบก อาจจะไม่ได้สใจแต่ว่าถ้าเรามีสอมีสติภายในกายเนยมันปานี้มามันเอาไดา้มันมีสิ่งสกปกลุกลงหลังเลยจ้ถ้าเรารู้ถ้าเรามีสตินะแล้วก็มีสิ่งที่ทาได้อยู่ไม่ปล่อยทิ้งกตื่นตืล่ล้น ความหลงเปลี่ยนหล ง, ท, งทันทีเหมือนเรารับผิดชอบเราปลูกก็ไม่ต้นไม้เป็นเหี้ยวต้องหาโอกาสให้หน้ำต้นไม้ ท, ทันทีมันจึงจะทําการทําเวลามันหลงรูป ท, ทันทีเรียกว่าการงานโชคมันหลงลลลเปลี่ยนหลงเป็นรูปเรือว่าความเพี่ยนช่อมันหลง เวียนหลงไป็รูด้วยตั้งสติไว้ตลอดท้าหมดเราชั่วทำดีทำชีวิตให้บริสุทในคราวเดียวกันเพื่อให้เกิดความชอบทั้งหมดยทดเจอบผู้ชอบท้องชอบการงานชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบหมดสุดถึงจุดหมายปายทาง กจกลงไปแล้วความหลงคนามทุกเข์จบลงไปแล้วถ้ามันมีอ่ะทำให้จบถ้าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ให้วางไม่มีที่ให้อาศัยไม่ให้ค่าจะโกนิจจโตประฏินิจจโกตลอคืนไม่มีที่ให้อยู่ไม่ให้ค่า สงบไม่ชีดอล้วไอไม่มีสิงรงขาเท่ากับรับของชั่วทำความดีเป็นกรอบเป็นกรปรมกับชีวิตของเราโต ว, วันโตคืนขึ้นมาโต ว, วันโตคืนขึ้นมาเหมือนเราทำงานทำการทำมาแปลงใหญ่ ถ้าเป็นการตัดดำก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนั้นที่นั้นวันนี้ที่นั้นขึ้นข้นแต่ละคำนวนได้อีก45วันก็เสริมีใครถามสบองก็เหมือนกับา อ, อนกเมื่อมีความตัดเคนในการ ตอนที่ทำจังคันนาเนี่ยพระอนุลยังไม่เป็นพระหารพระมหากาจะปรับให้พระอนุลทำกองเกียรต <c oughs> เพื่อจะทำสังขาร ย, ยุหาถ้าทำจังคันนาไม่เป็นทหารให้มันได้เรื้อพาะอนุลูกเกี่ยวเติมขาดไม่ได้นน เ, ด เ, ดไดเป็นภาพหงสู์ผู้นู่อะไรมากบาง เพื่อสาธยายให้สงความมีการซักถามขึ้นมาแล้วน้องก็มั่นใจจมงสองจม่งผ่านไปพระมากระจละอาจจถ่อมเป็นไงนู้อเดี๋ยวเดี๋ยวที่สุดก็พักเวลาแล้วอีกจม่งที่ สองทีบดีวันนี้ก็ ม, มีความกระทบมีการสัมผัสแต่เหมือ น, นเราทำงานที่มันใกล้สึดๆความหลงทางไปคว า, ามทุกข์ผ่านไปอะไรที่เราถามไปถามไปเอาขึ้นมา ไ, มไ่เหมือนม้วนน้ำรายทิ้งไปเอาขึ้นไม่ได้ มันก็เป็นแหบนี้ปฏิบัติธรรมไปทิ้นไหมทำ <c oughs> ไมเราเจ็บจัวไมเราจต้องไหมทำไมเราทิ้งไม่ช่วยตัวเองเชื้อตาดเกิดมาสามสิบปไม่มีใครสอนแบบนี้ตัยกายหัถึงทิ้งเราหลวงขอเทียนมาสอน ให้เห็นกายเห็นจเห็นมันคิดใส่ควาก็มันคิดก็ปล่อยมันคิดไปไม่รู้จักมีสติไม่กลับมาไหลอยู่เช่นนั้นรึจะมีโตเรื่องหมดชีิดเรื่นั้นโตเรื่องนี้เป็นทุกไม่รู้จักช่วยแั่งใจควาคิดเฉยเฉยก็มาเป็นทุกข์ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับ น้ำตาซึมน้ำตาไหลไหลทิ้งความทุกข์มิไม่เคยช่วยไม่เคยดูแลจิตใจของตนเองไม่เคยเห็นจิตไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยเห็นความนนทุกที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราเขาเชื่อมามอบเราทำดู กตื่นเรารู้น่ะน่ะเรื่องขอกควาคิดที่จะให้เป็นทุกขเนี่ยไม่ปอจทิ้งเด็ดขาพอรู้จักช่วยตัวเองอย่างนี้คิดสองสามตัวเองน่ะเห็นลูกเห็นนาหนูสามสิบปีไม่รู้จักช่วยตัวเองเลยป่อยทิ้งมาจนมันเกียนตาย มากระตือรือลน่นเกคู่เพื่นกันเกคู่ได้เอาคืนมาได้กายลูกก็เอาคืนมาใช่เฉพาะที่จำเป็นใจที่เป็นน้ำที่มาลูกแล้วได้คืนมาโดยช่วยมันคืนมา ที่หนในที่มันคิดเนี่ได้กระตือรือร้นตรงไหมช่วยเวลามันคิดตัวคิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนี่เราจมเลยหมายเลขหนึ่งกระตือรือร้นตรงไหมเพราะอะไรเป็นเกณฑ์เรามีเกณฑ์อยู่เราลู่อยู่นี้ทาไมมันคิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจสนใจมากกว่าตรงกลับมาได้ อันคิดไม่ได้ตั้งใจตั้งใจคิดนะลยคิดทำไมเวดานี้ไม่ได้มาตั้งใจคิดเรื่องไหนมาปฏิบัติมามีสตินั่นเป็นงานอันหนึ่งดูเนี่ยแล้วก็เป็นเกาะกรรมขึ้นมาส่วนคิดที่ไม่ไตั้งใจอันนั่นที่เสดแต่ะอันคิดที่ตั้งใจคิดเอาไว้ก่อนมาไว้ก่อน เวลานี้เราก็มาอยู่นี่แล้วมาโกนผมผมข้าวเหลืองแล้วก็กวดจอกเดือนไม่เกี่ยวพ้อด้วยว่าด้วยเดืนเนอนแล้วมาคิดเรื่องไหนง่ายคิดก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงสิ่งของนตนเอามือลูกหัวดูคิดถึงทำของตนที่เพิ่งอาสัยดงได้เรื่องอะไร ผลขวาหายเลขหนึ่งคือตัวหลงตัวคิดมันจึงมีคำบอกมาถึที่อารมณ์หมายเลขสอ ง, ว ค, ค, ววอง 2, ความโกรธหมายเลขสองคำพูดหมายเลขสอกายกระทาหมายเลขสี่จมเลยสุดท้ายคือการจมเลยที่หนึ่งนะตัวหลงคือความคิด สนใจจะตื่นร้อนแม่นยาคชัดเจนจะมีํำนาญมันก็ไปไม่ได้หรือเปล่ามันจะตัดลาาเล้วมันสัมันก็นนกหียวไปหลายอย่างบางทีเราจจะไปสู้กับกินเลยตั้งหาเหนเลย พอใหาเอาคำว่าที่หลงเป็นรูปเนี่ยมันก็นอ่อนล้าไปหนดเห็นรูปเห็นนามเห็นการเห็นธรรมชาติของรูปของนามบมรทุกประเทีอนเถิดความปวดคลุมโลกคุมหลงก่อนล้าไม่มีกำลังที่เหลือจะหนาอ่อนล้าลงเราจับมันหน้าจับหลักมันธา้สมุทัย สองขาตัวหลงตัวคิดฟุง้งฟุ้งแต่แต่เป็นเขียงพอทำเหี้ยมกันได้หรืออ่อนล้าลงเคยเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้หมากไม้ผลไม้เบางต้นถ้าสมมุติว่าเราไปเสียาวคิดมาหมด ห, นหลนลง บางลูกหล่นลงบางลูกไม่ค่อยหล่นแตงนั่นใจใจเป็นพิเศบางลูกไม่หล่นหลอดไปเคยพูดเท่านั้เขียยหลอดมาเขียยหลอดเน่อจาไม่ เ, มเขีย่ยกันเวลาทำงาเนเรื่สีถ้าไมาเขียหลอดวยขน เอามาทาผีแต่ดูดออกค่ะคุอยางบาทีมันหลบอะไรมันใช่ไหได้แล้วพรที่ันพูดว่าอาการเกิดตับอาการดับไม่เหลือไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่อีกแล้วมันหลอดแล้วไม่ไม่ดูดไม่ซึมไม่มีผลกระทบต่ออะไรแล้วเหมือนลูกปืน เมื่ลกเขาแม่ออกมันมาอยู่ในที่ที่รับๆไปอยู่ในรนหว่างข้ามเนื้อไม่เปฝังในเนื้อก็ไม่ต้องถอดเทาที่ฝังอยู่ในเนื้อพอดีเคยมีนนคนถูกปืนจะสลาด้วยกันมีคนหนุ่มสองคนเล่นปืนเล่นปืนมันก็ไปถูกกันมันฝังอยู่ทั้งนั้นไม่ออกเพราะเฉยดูแล้ว มันหลอกนะมันไม่มีประโยชน์ก็เขี่ยปลอดก็แบบนั้นในชีวิตของเรานี่บางอย่างมันหลอกทำงช่มัน ไ, ได้จับมาใช่ไงก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไม่ถึงกระทบต่ออะไรทำถ้าจะดุจะ ด, ด่าบอกยามนันใจมันอย่างนึงมันใช่มันได้ด่าพระด่าเนต ร, เน ต, รตีเนรเคยตีเนรมั ลองโทษนี่วันหนึ่งนะขอร้องใฟังสักหน่อยฝนตกคำามธรปกติก็หลังไม่โตให้เนมท่องสื่อในกติแล้วก็ไม่ได้เคยยิยนเสียงันเงียบลงเงียบลงเงียบลงฝนเงียบลงเงียบลงไม่มีเสียงในกกติเราไปดูไม่เห็นเนสักรูปเลย แล้วก็ตามไปดูเนี่นี่ก็ตามไยังไม่ลอยลอยเตือนเลยล้มขาในป่าไอต่อยมวยกันอยู่ร้มทักกันแล้วก็ติงวยแล้วกกรมาอยู่กับตมาอยู่กับตียืดต่อยประกันมาเดอ้อนดวยๆมาเาเก่ามาเรื่ ulously, อยเรื่ย ก็ผมทำผิดครับทำผิดอะไรผมผลต่อยมวยกันครับเอ้าเนี่นั่นเลยไม่ต่อยมวยกันผมนี่นี่เลยชวนผมบอกนี่นี่ชวนนี่นี่ต่างคนโตกันต้องม่อรเนี่ยทำผิดแล้วใหเราพเราโทเราโทษอะไรให้เคียนให้ตีตียังไงตีมันก็เจ็บเจ็บปวทรานเพรมันทําิดเราแต่ให้ตีจีบัน หาเดียวก็อแไมเดียวไม่เดียม่ก็กำลกระจาแค่นี้ก็หนอไดเอาตีไปเดียวเลยครับหาม่มาสองครั้งสามครั้งไม่ได้เลยได้ได้ของที่ต้อเอาไวดีๆเหามาก็ทั้งหมดถาม่เดียวเามาถึงเดียวนะ ก็เหมืองหลงไปเลี้ยงลงไปเลือดเขียงไปถูกแชงปอเนยนมาเขกันเข่เชี่ยงมันไปหลงต่อเลยฮ่่าาั้วนนี้ีนี้ปอที่ยำโทษเราอาจาย์มองว่าทารแล้วก็ อ, อาจารย์ไม่ได้ตีใ น, ในทำโทษตัวเองเป็นทำผิดมันก็เป็น่างนี้แต่ว่าอย่าทำสอนไป ก็เลยเกทั้งร้องไห้ทั้งหัวรอนั้งตงืนหัวรเอนสนุกป่านยากใหญ่ใจใหญ่เลยมันแล่ไหนโกรธจริงไม่โกดไงบางครั้งก็ชี้โทษลงโทษจนอย่างนี้ลงโทษเองก็เลยสมนำลาหมดแคนี้มึงโกดหรือด่าตัวเอง เป็นพระเท่านี้เคยเป็นอยางนี้เป็นพระได้ไงคนกล่าบคนว่านั่งคนก่าบคนว่าเปรตเท่านั้ น, น, ไ, น, น, น, น ไ, ไม่ใช่สมณอ่านตนเป็นสมณะเป็นคนเล่าไหนเปรียดแคบต่าตัวเองว้สนุกนันดาตัวเงสอนตัวเองเหมืนกัว่าจะสีมันด่าตัวอไอชาหมา าเาตัวเอเวลาลูกขึ้นมาที่นอนไม่ได้ไหวชาหมาไม่ใช่เป็นสัตว์สีของราชาสัตว์เราก็ทำตัวตัวเองยิ่งมันมหลงยิ่งมันทุกข์ยิ่งมันเกิดอะไขึ้นมาตัดทิ้งแคนี้เป็นวันตถศา ทำย่อมรักษาผู้ปฏิ ธ, ธรรมให้ตกเป็นที่ชั่วทำย่อมรักษาผู้พฏิธรรมอยู่เป็นนิดไม่ปล่อยทิ้งให้หนุนเนี่ยคือความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักเกลยไม่ปล่อยจนจะต้องเป็นโทษเมื่อรักเกินเกินคนละคนอื่นกฎหมายอันเดียวกันเราไปหนุงเราชื่อตัวเองได้แล้วเฉินคนอื่นหนุง ก็สานเขาจะให้เขาไม่หลงขอเป็นเพื่อนเห็นคนอื่นทุกเมอ่อคนเราเคยทุกแล้อยากช่วยคนที่เป็นทุกเป็นเพื่อนไม่วิธีใดวิธีหนึ่งไม่ขอรก็ได้นะไม่ทุกก็ได้นะหาวิธีเปลี่ยนไม่ปลอดกันทิ้งรับทุกสิ่งทุกอย่างยอมรัก ยิ่งใหญ่คือพระุทเจ้าเป็นโยอดนักลักที่สุดในโลกคือธรรมะเราจะไมใ่ใช่ใครที่ไหนเราเป็นคนคนเดียวกันเแท้ๆเจอเจอจะตายหนุกใจกันเมียเดียนใดกันไมมาช่วยกันดีกว่าหลงก็ออบอกว่าไม่หลงกว่็ได มันกรธไม่โกรธก็ได้มันทุกข์ไมทุกข์ก็ได um. ้เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็ผู้ตายทําได้ทําได้จริงจริงเพราะว่าที่ยู่เนี่ยไปยิ่งใหญ่เห็นไม่เป็นถึงไม่เป็นเนี่ยสำนีชำนาญเป็นโมงอเนี่ก็มากกว่าเมื่อหลายสิบคนเนี่ยครับครับ